ครั้นตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแก้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีสง์ให้สิขาสมมุติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีแก่กุมารีอายุ18ปีภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเพิ่งให้สิขาสมมุติอย่างนี้